พุทธคุณประการที่8พุทธโธคำว่าพุทธโธถ้าแปลทับศัพท์แปลว่าพระพุทธเจ้าคือคำว่าพุทธะยังไม่ได้แปลเพียงแต่เติมคำว่าเจ้าซึ่งเป็นคำที่แสดงถึงความหมายว่ายกย่องอย่างสูงไว้ข้างท้ายเท่านั้นแต่คำนี้จะเอาไว้ข้างหน้าก็ได้ เช่นคาว่าพระเจ้าแผ่นดินเจ้าฟ้าเจ้านายฉะนั้นในเมื่อเรียกพระรัตนตรัยอย่างยกย่องอย่างสูงจึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพุทธะตามศัพท์แปล ว, ว่ารู้แจ้งคือรู้อย่างแจ่มแจ้งรู้ทะลุปรุโปรงรู้อย่างแจ่มใสรู้อย่างแน่ใจ ปัญหามีอยู่ว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้อะไรจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธเจ้าคือเป็นยอดของคนที่รู้แจ้งโปรดเทียบคําว่าพระเจ้าแผ่นดินซึ่งหมายความว่าในแผ่นดินนี้ไม่มีใครที่จะยิ่งใหญ่กว่าพระองค์เป็นผู้ที่สูงสุดยิ่งกว่าใครๆ ใ, ในแผ่นดินนี้ฉะนั้นจึงได้ทรงพระนามว่าพระเจ้าแผ่นดิน และในทํานองเดียวกันพระพุทธเจ้าทรงรู้อะไรจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดของผู้รู้คือเป็นใหญ่กว่าใครๆทั้งหลายในบรรดาผู้รู้ทั้งหมดปัญหาข้อนี้พระสารีบุตรได้อธิบายไว้ว่าการที่พระองค์ได้ชื่อว่าพระพุทธนั้นเพราะพระองค์ได้ทรงรู้แจ้งอริย ส, สัจสีเช่นในคำพีวิสุทธิมัก ได้กล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงรู้แจ้งซึ่งอริยสัจสีด้วยพระองค์เองและทรงสอนให้สัตว์อื่นรู้แจ้งได้ด้วยเพราะเหตุนี้อย่างนี้เป็นต้นจึงได้ทรงพระนามว่าพุทธาข้อความที่กล่าวมา น, นี้ขันธีวิสุท ธ, ธิมรดกได้นํามาอ้างไว้จากพระไตรปิฎกเล่มที่สาสิบจากหลักฐานอันนี้สําหรับคนที่ไม่ซึ้งในเรื่องอริยสัจ ก็อาจจะไม่รู้สึกว่าการรู้แจ้งอริยาศาสนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้สํานึกถึงความจริงในเรื่องนี้ให้มากขึ้นข้าพเจ้าของอางพุทธพท์มาชี้แจงอีกบทหนึ่งดังต่อไปนี้บรรดาทางทั้งหลายทางมีมกัก8เป็นทางประเสริฐสุดบรรดาสัจจทั้งหลายสัจจซึ่งมีบทสคืออริยสัจสี่เป็นสัจจะประเสริฐสุด บรรดาธรรมทั้งหลายวิราคาธรรมคือนิพพานเป็นธรรมประเสริฐสุดบรรดาสัตว์สองเท้าทั้งหลายพระทตาคตผู้มีดวงตาเป็นผู้ประเสริฐสุดขอให้สังเกตคําว่าบรรดาสัจจาทั้งหลายสัจจาซึ่งมีบทสี่คืออริยสัจสี่เป็นสัจจาประเสริฐสุดข้อความสั้นๆบทนี้เป็นข้อความที่มีความหมายลึกซึ้งมาก และไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่คนผู้ไม่เข้าใจเรื่องอริยสัจและจะรู้สึกว่าการรู้แจ้งอริยสัจนี้เป็นยอดแห่งความรู้ทั้งปวงลองพิจารณาดูสั้นๆดังต่อไปนี้บางทีอาจจะทําให้รู้สึกได้บ้างว่าการรู้แจ้งอริยสัจประเสริฐยิ่งกว่าการรู้อะไรทั้งหมดฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เรื่องนี้จึงควรได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆ พระพุทธเจ้าทรงรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าทุกในโลกนี้มีอะไรบ้างต้นเหตุของมันอยู่ที่ไหนและทําอย่างไรจึงจะดับทุกได้การรู้แจ้งในเรื่องเหล่านี้เป็นการรู้อย่างละเอียดทีท่วนรู้ถึงต้นตอของความทุกทุกอย่างเช่นที่พระองค์ตรัสว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกขความตายก็เป็นทุกขความเศร้าโศกการร้องไห้ความทุกข์กายความขุนใจ ความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์การประสบสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์กล่าวโดยย่อการมีเบญจขันธ์คือขันธ์ห้าซึ่งเป็นที่ตั้งของอุปาทานหรือการรู้สึกว่ามีตัวตนอันนี้ก็เป็นทุกข์และทุกข์เหล่านี้ทั้งหมดต้นเหตุของมันอยู่ที่ตัณหาการดับตัณหาเสียได้ จึงจะพ้นทุกเหล่านี้ทั้งหมดและการที่จะดับตัณหาได้นั้นก็มีอยู่ทางเดียวคือต้องปฏิบัติตามมารมีองค์8ปดหรือตามศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นในที่นี้ข้าพเจ้าไม่มีความประสงค์จะอธิบายเรื่องอริยศัสตร์โดยละเอียดเพราะเป็นเรื่องยาวและลึกซึ้งมากข้าพเจ้าต้องการแต่เพียงยกหัวข้อมาให้ดูเพื่อเป็นเครื่องสะกิดใจให้รู้ว่า รู้อะไรก็ไม่ประเสริฐเท่ากับการรู้แจ้งอริยสัจแต่จะมีใครสักกี่คนที่จะรู้สึกว่าแม้เราจะได้ชื่อว่าเกิดมาแล้วซึ่งในที่สุดก็จะต้องแก่และต้องตายทั้งนั้นความทุกข์เหล่านี้เราสามารถเอาชนะได้แม้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และถึงแม้จะต้องประสบกับความทุกข์ต่างๆอีกมากมายความทุกข์ที่ว่านี้ก็เอาชนะได้ทั้งนี้เพราะต้นเหตุของมันอยู่ที่ตัณหา และการเอาชนะตัญหานั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะตัญหาหมายถึงความอยากที่เป็นไปตามอารมณ์ไม่เป็นไปตามเหตุผลหรือถึงแม้ในบางครั้งจะเป็นไปตามเหตุผลแต่ก็ปล่อยวางไม่ได้ทำใจให้วางไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อผิดหวังหรือถูกขัดใจหรือเมื่อต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักหรือในเมื่อต้องประสบกับความเจ็บป่วยความแก่และความตายความทุกข์จึงได้เกิด แต่ถ้าเอาชนะตัณหาเสียได้แล้วความทุกข์จะไม่เกิดคือถึงแม้จะแก่หรือแม้จะตายหรือจะมีเหตุการณ์อะไรที่ก่อให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นก็ตามความทุกข์นั้นก็จะไม่เกิดอันหนึ่งโปรดจําไว้ว่าคนที่ละตัณหาได้ก็คือคนที่ดําเนินชีวิตไปตามความต้องการที่เป็นไปตามเหตุผลและพร้อมที่จะปล่อยวาง และทำใจให้ว่างได้เสมอความผิดหวังใดๆทำให้เกิดความทุกข์ไม่ได้เพราะเหตุที่ปล่อยวางได้จึงทำใจให้ว่างได้และเพราะทำใจให้ว่างได้จึงสามารถเข้าสมาธิได้ลึกมากสงบมากและในที่สุดก็จะรู้แจ้งว่าตัวเองได้อยู่เหนือความแก่ความเจ็บความตายอยู่เหนือความทุกข์หมดทุกอย่างส่วนร่างกายที่เจ็บ หรือที่กําลังจะตายตลอดถึงทรัพย์สมบัติความสุขความทุกข์ชื่อเสียงเกียรติยศหรือความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันนั้นมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราปล่อยวางในเรื่องเหล่านี้ได้ทั้งหมดและเพราะปล่อยวางได้จึงได้รู้แจ้งว่าตัญหาคือต้นเหตุแ ห, ห่งความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายตัญหาคือต้นเหตุแห่งความทุกข์และความอาภัพทุกอย่าง ฉะนั้นเมื่อเอาชนะตันหาได้หมดไม่มีเหลือก็จะพบกับชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดซึ่งเป็นการพบในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่หลังจากตายและมองเห็นชัดว่าคนอื่นแม้จะใหญ่โตสักเพียงใดแม้จะฉลาดปราดเปรื่องสักเพียงไรมั่งมีสักเพียงไรถ้ายังเอาชนะตันหาไม่ได้แล้วก็ไม่มีทางที่จะพ้นทุกไม่มีทางที่จะรู้จักตัวเอง แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อมีเงินก็ยังมีทุกข์มีอำนาจวาสนาใหญ่โตก็ยังมีทุกข์แม้ร่างกายจะแข็งแรงอยู่ก็ยังมีทุกข์แม้จะสมความปรารถนาในเรื่องความรักหรือในเรื่องอะไรก็ตามมันก็ยังมีทุกข์และไม่มีวิธีอื่นเลยนอกจากเอาชนะตัณหาเท่านั้นจึงจะพ้นทุกข์ได้ด้วยเหตุนี้การรู้แจ้งอริยสัจคือรู้ว่าอะไรคือทุกข์ อะไรคือต้นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรคือความดับทุกข์อะไรคือทางให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ในความหมายของพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นจึงนับว่าเป็นความรู้ที่ประเสริฐสูงสุดกว่าอะไรทั้งหมดพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งอริยสัจด้วยพระองค์เองก่อนและสามารถที่จะทรงสอนให้ผู้อื่นได้รู้แจ้งได้ด้วยด้วยเหตุนี้พระองค์จึงได้ชื่อว่าพุทธ ซึ่งแปลในภาษาไทยว่าพระพุทธเจ้าหมายความว่าเป็นยอดของผู้รู้แจ้งคือเป็นใหญ่กว่าใครๆทั้งหมดในบรรดาผู้รู้แจ้งทั้งหลายอันหนึ่งคำว่าพุทธโธบางทีแปลกันว่าเป็นผู้ตื่นซึ่งหมายถึงว่ามีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเสมอแม้จะเป็นเวลาหลับ ก็ไม่หลงลืมสติสัมปชัญญะโดยธรรมดาคนที่นอนหลับแล้วฝันนั้นภาวะของจิตอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าขาดสติสัมปชัญญะความคิดจึงได้เประปะฝันเรื่อยเปื่อยส่วนพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์โดยทั่วไปแม้เวลานอนหลับก็ไม่ฝันเพราะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวทุกขณะจิตไม่เคยเผลอเลยไม่ว่าจะเป็นในเวลาไหน จะหลับหรือจะตื่นจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามด้วยเหตุนี้จึงแปลว่าเป็นผู้ตื่นอิทไยะหนึ่งคำว่าพุทโธแปลว่าเป็นผู้เบิกบานซึ่งหมายความว่าผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจจนถึงที่สุดแล้วละตัณหาได้หมดไม่มีเหลือแล้วจิตใจจะเบิกบานอยู่เสมอ ความขุ่นมัวหรือความเศร้าหมองใดๆแม้แต่เพียงนิดหนึ่งจะไม่เกิดขึ้นเลยไม่ว่าจะอยู่ในภาวะหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมใดๆจิตใจก็จะแจ่มใสเบิกบานสดชื่นอยู่ตลอดเวลาไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์หรือตามสิ่งแวดล้อมหรือตามความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเพราะเป็นผู้อยู่เหนือความแก่ความเจ็บความตายและอยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงแล้ว อันหนึ่งในอัธกถาท่านได้อธิบายว่าอีกอย่างหนึ่งว่าการที่พระองค์ได้ชื่อว่าเป็นพุท ธ, ธนั้นเพราะได้รอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่ควรรู้หรือต้องการจะรู้พระองค์จะรู้ได้โดยไม่ยากซึ่งสำนวนคำพีได้กล่าวไว้ดังนี้ยังปณากินจิอัติเยยยางนามะสัพเพเสวพุทธตาวิโมขันติกยาณวเสนพุโทโธ อะไรที่ขึ้นชื่อว่าควรจะรู้มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าจะทรงสามารถรู้สิ่งนั้นได้หมดทุกอย่างด้วยอำนาจของญาณที่เกิดขึ้นในที่สุดแห่งการบรรลุถึงวิโมกคําว่ารู้ด้วยอำนาจแห่งญาณที่เกิดขึ้นในที่สุดแห่งวิโมกนี้หมายความว่าเมื่อพระองค์ทรงละตัณหาได้หมดไม่มีเหลือจิตได้บรรลุ ถ, ถึงวิโมก ค, คือความหลุดพ้นจากกิเลสจากอารมณ์ จากนามรูปโดยประการทั้งปวงแล้วเมื่อพระองค์ทรงต้องการที่จะรู้อะไรเพียงแต่ใช้สมาธิหรือเพียงแต่ตั้งใจเท่านั้นก็จะได้คำตอบออกมาทุกอย่างซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้อธิบายมาแล้วในบทสัมมาสัมพุโทโธอันหนึ่งคำว่าสัมมาสัมพุโทโธกับคำว่าพุโทโธถ้าพิจารณาดูให้ดีแล้วจะเห็นว่าคาทั้งสองนี้ มีความหมายเหมือนกันต่างกันแต่เพียงคำแรกคือคำว่าสัมมาสัมพุทโธนั้นเติมคำว่าสัมมาสัมไว้ข้างหน้าเพื่อให้มีความหมายชัดเจนออกไปว่าการรู้แจ้งของพระพุทธเจ้าเป็นการรู้แจ้งด้วยตัวเองหรือที่ตัวเองคือรู้แจ้งด้วยอภิญญาต่างๆและเป็นการรู้แจ้งที่ถูกต้องส่วนคำว่าพุทโธเป็นคำที่ละคำข้างหน้าเอาไว้ เพราะทกล่าวถึงมาแลาวครั้งหนึ่งเป็นคำให้รู้การโดยนัยยะดังที่กล่าวมาแล้วในบทก่อนฉะนั้นปัญหาสำคัญจึงมีอยู่ว่าในเมื่อคำทั้งสองนี้มีความหมายอย่างเดียวกันเหตุฉไหนจึงต้องกล่าวซ้ำอีกสำหรับปัญหาข้อนี้การที่จะหาคำตอบให้ได้อย่างชัดเจนนั้นท่านจะต้องพิจารณาความหมายของพุทธคุณทุกๆบทอย่างละเอียดและจึงจะหาคาตอบได้ อันที่จริงพุทธคุณทุกๆบทมีความหมายเหมือนกันทั้งสิน้นหรือทั้งหมดนั้นอาจจะสรุปไว้ด้วยคำใดคำหนึ่งก็ได้ทั้งนี้เพราะมีความหมายเหมือนกันและเกี่ยวเนื่องกันแต่ที่ต้องการกล่าวซ้าก็เพราะถ้าไม่ทาอย่างนี้ความหมายที่ลึกซึ้งในแต่ละแง่จะไม่ปรากฏชัดเจนออกมาในใจของผู้ปฏิบัติซึ่งวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นผู้ปฏิบัติ จะต้องพิจารณาความหมายของสิ่งสิ่งเดียวกันทุกแง่ทุ ก, ทกมุมไปตามลำดับของความเกี่ยวเนื่องกันจึงจะเกิดความเชื่อและเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งและจะทำให้จิตใจของผู้ปฏิบัติผ่องแผ้วและเบิกบานอยู่เสมอและทุกครั้งที่นึกถึงพุทธคุณไม่ว่าบทไหนจะทำให้จิตใจของผู้ปฏิบัติเกิดความผ่องใสเกิดความเคารพ บ, บูชาอย่างสูงได้เสมอเพราะฉะนั้น ขอให้ท่านพิจารณาถึงความหมายที่เกี่ยวเนื่องมาตามลําดับแล้วจะเห็นความหมายที่ซ่อนอยู่เช่นจงพิจารณาอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์คือกิเลสทุกอย่างในสันดานไม่มีเลยและเพราะเหตุที่พระองค์ทรงมีใจบริสุทธิ์ปราศจากตัณหาอุปาทานโดยสิ้นเชิงใจว่างใจเป็นอิสระไม่เกาะเกี่ยวไม่ติดอยู่ในอารมณ์ใดๆเพราะเหตุนี้พระองค์ จึงทรงสามารถรู้แจ้งในสิ่งต่างๆได้ด้วยพระองค์เองแล้วรู้ได้อย่างถูกต้องซึ่งการรู้แจ้งที่ว่านี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันกล่าวคือเมื่อพระองค์มีพระประสงค์ที่จะทรงรู้อะไรคำตอบก็จะเกิดขึ้นทันทีภายในจิตใจของพระองค์ความฉับพลันที่ว่านี้จะเป็นไปได้ทุกอย่างทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนทางนี้ก็เพราะความบริสุทธิ์ ด้วยเหตุนี้จึงเรียงคำว่าสัมมาสัมพุโทโธไว้ในลำดับต่อจากคำว่าอารหังส่วนคำว่าพุโทโธซึ่งเป็นคำย่อมาจากคำว่าสัมมาสัมพุโทโธแล้วเรียงไว้ในลำดับสััทธาเทวมนุ ษ, ษาหนังนั้นก็เพื่อต้องการที่จะเน้นในความหมายที่ว่าการที่พระองค์ทรงสามารถเป็นครูสอนได้ทั้งเทวดาและมนุษย์ทุกชั้นทุกประเภท ก็เพราะพระองค์ทรงเป็นสัมมาสัมพุทธะอีกในยะหนึ่งเพราะเหตุที่พระองค์ทรงสามารถสอนได้ทั้งเทวดาและมนุษย์นี่เองจึงแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นสัมมาสัมพุทธะอีกในยะหนึ่งเพราะเหตุที่พระองค์ทรงสามารถสอนได้ทั้งเทวดาและมนุษย์นี่เองจึงแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ปลุกโลกทั้งหมด ให้ตื่นจากความหลับความหมายที่ซ่อนอยู่คือความหมายที่ไม่ได้กล่าวไว้ในคำภีรนี้ถ้าผู้ใดพินิจพิจารณาให้ละเอียดก็จะมองเห็นได้โดยไม่ยากและเท่าที่อธิบายมานั้นเป็นตัวอย่างโดยสังเขปเพราะผู้ที่มีปัญญาลึกซึ้งแหลมคมจริงๆนั้นจะสามารถมองเห็นถึงความหมายที่ซ่อนอยู่มองเห็นถึงความหมายที่เกี่ยวเนื่องกันยิ่งกว่าที่กล่าวมานี้อีกมาก การที่ทำได้อย่างนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติไม่เบื่อในอันที่จะพิจารณาเพราะยิ่งพิจารณาก็จะยิ่งเกิดความเลื่อมใสเป็นความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลำดับ